บรรดาวิธีทั้ง4ี่ที่กล่าวมานี้ถ้าถือตามแนวอธิบายของอัตถกถาแล้วก็จัดได้ว่ามีวิธีที่เป็นหลักใหญ่เพียงสองอย่างคือวิธีที่1วิปัสสนามีสมถะนำหน้าและวิธีที่สองสมถะมีวิปัสสนามำหน้าส่วนสวิธีหลังเป็นเพียงวิธีการที่แทรกซ้อนเข้ามาในระหว่างการปฏิบัติหรือเป็นส่วนเสริมขยายออกไปจากสองวิธีแรกกล่าวคือวิธีที่สาม สมถะและวิปัสนาเข้าคู่กันจัดได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติส่วนที่ซับซ้อนซึ่งซอยหรือขยายออกไปจากวิธีที่หนึ่งนั่นเองส่วนวิธีที่สี่ทางออกเมื่อจิตเควด้วยทำมุทัตจักก็เป็นเพียงวิธีปฏิบัติที่แทรกเข้ามาในระหว่างในเมื่อปฏิบัติตามวิธีการข้อตอน้ตอนๆไปบ้างแล้วจนถึงขั้นตอนหนึ่งที่เกิดปัญหาเฉพาะอย่างนี้ขึ้นแทบจะเรียกได้ว่าเป็นข้อปฏิบัติพิเศษเฉพาะกรณี หรือเป็นกลวิธีอย่างหนึ่งสำหรับใช้แก้ปัญหาบางอย่างในระหว่างการปฏิบัติธรรมวิธีใหญ่สองอย่างนี้น่าจะถือได้ว่าเป็นต้นแบบหรือเป็นที่มาของวิธีบาเพ็ญกรรมฐานสองอย่างที่มีชื่อเรียกในรุ่นอัตถกถาคือสมถยญาณของพระสมถญาณิกอย่างหนึ่งและวิปัสสนาญาณของพระวิปัสสนาญาณิกหรือสุทธวิปัสสนาญาณิกอย่างหนึ่งญาณในที่นี้คือ ย่อยักษระาะนอนหนูที่แปลว่าเครื่องนําไปสมถตยานิกแปลว่าผู้มีสมถะเป็นญาณหมายถึงผู้บาําเพ็ญสมถตก่อนแล้วจึงจเจริญวิปัสสนาทีหลังตามความหมายอย่างกว้างสมถะที่บาําเพ็ญก่อนนั้นอาจได้เพียงอุปจารสมาธิหรือก้าวไปถึงอัปปนาสมาธิได้ฌานสมาบัติก็ได้แต่อัตถกถานิยมใช้ในความหมายที่จํากัดหรือเฉพาะกว่านั้น คือมุ่งเอาเฉพาะผู้ได้ฌานสมาบัติแล้วดังนั้นจึงได้กล่าวว่าวิธีปฏิบัติตามแนวพุทธพจน์ในชานสูตรที่นำมาอ้างไว้ในตอนต้นเกี่ยวกับการบรรลุอาสวัคไขอาศัยปฐมฌานก็ได้ทุติยฌานก็ได้นั้นเป็นปฏิปทาของพระสมถยานิกวิปัสสนาญานิกแปลว่าผู้มีวิปัสสนาเป็นญาณเรียกเต็มเพื่อย้าความหมายให้หนักแน่นว่าสุทธวิปัสสนาญาิก แปลว่าผู้มีวิปัสสนาล้วนๆเป็นญาณหมายถึงผู้ที่เริ่มปฏิบัติด้วยเจริญวิปัสสนาทีเดียวโดยไม่เคยฝึกหัดเจริญสมาธิใดๆมาก่อนเลยแต่เมื่อเจริญวิปัสสนาคือใช้ปัญญาพิจารณาความจริงเกี่ยวกับสิ่งทั้งหลายอย่างถูกทางแล้วจิตก็จะสงบขึ้นเกิดมีสมาธิตามมาเองในตอนแรกสมาธิที่เกิดขึ้นอาจเป็นเพียงขณิกสมาธิคือสมาธิชั่วขณะ ซึ่งเป็นสมาธิอย่างน้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นเพื่อให้วิปัสสนาดำเนินต่อไปได้ดังที่ท่านกล่าวว่าปราศจากคณิกะสมาธิเสร็จแล้ววิปัสสนาย่อมมีไม่ได้แม้ผู้ได้คณิกะสมาธิอยู่แล้วมาปฏิบัติวิปัสสนาก็เรียกว่าวิปัสสนาญาณิกอยู่นั่นเองเพราะตามปกติในชีวิตประจาวันคนทั่วๆไปย่อมได้คณิกสมาธิกันมาบ้างแล้วไม่มากก็น้อย ในโอกาสที่จิตใจสงบหรือแน่วแน่ด้วยการงานหรือเหตุแวดล้อมบางอย่างดังนั้นแม้จะเคยได้ขณิกะสมาธิมาแล้วด้วยเหตุอันนูนต่างๆเช่นพื้นจิต ด, ดีเป็นต้นก็ถือว่ารวมอยู่ในจําพวกผู้ไม่เคยฝึกเจริญสมาธิมาก่อนเหมือนกันเมื่อผู้เป็นวิปัสสนาญาณิกจเจริญวิปัสสนาต่อต่อไปสมาธิก็พลอยได้รับการฝึกอบรมไปด้วยถึงตอนนี้ อาจเจริญวิปัสสนาด้วยอุปจารสมาธิคือด้วยสมาธิจนจะแน่วแน่หรือสมาธิจนจะถึงฌานก็ได้จนในที่สุดเมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผลสมาธินั้นก็จะแน่วแน่สนิทเป็นอัปปนาสมาธิอย่างน้อยถึงระดับปฐมฌานคือระดับฌานที่หนึ่งหรือรูปฌานที่หนึ่งเป็นอันสอดคล้องกับหลักที่แสดงไว้แล้วว่าผู้บรรลุอริยภูมิ จะต้องมีทั้งสมถะและวิปัสสนาครบทั้งสองทั่วกันทุกบุคคลสำหรับหมวดธรรมที่ใช้คำว่าสมาธิสคือขณิกาสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเป็นคำรุ่นอัตกถาดีกาทั้งสิน้นบางทีมาในชุดที่มีเพียงสองคืออุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิบางทีเรียกอุปจารชาญและอัปปนาชาญคำว่าอัปปนา แม้จะมีในบาหลีบ้างแต่ก็มาในฐานะเป็นไวยพ์ของวิตกและสัมมาสังกัปปะเท่านั้นความหมายของสมาธิเหล่านี้พึงดูในบทที่16ตอนว่าด้วยสัมมาสมาธิในภาคสองส่วนในข้อความที่ว่าวิปัสสนาญาณิกเมื่อถึงขณะที่บรรลุมรรคผลสมาธินั้นก็จะแน่วแน่สนิทเป็นอปปนาสมาธิอย่างน้อยถึงระดับปฐมฌานนั้นท่านว่าฌานเช่นนี้ มีขณะจิตเดียวเท่านั้นแต่หลังจากนั้นก็สามารถเข้าผลสมาบัตรหรือภะละสมาบัตสเสวยอริยโลกุตระสุเป็นเทตรธรรมสุขวิหารได้ต่อไปเรื่อยๆด้วยฌานระดับเดียวกันนั้นตามปรารถนา